ภควาโตอรหะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะชิรันติเวราชรัฐาสุจิตตาสัตตัจะธรรมโมนะชรังอุ เปติติณบัตเนอาตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปุริสะธรรมกถา พัลนาถึงศาสนะคำสั่งสอนขององค์ชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประรอบในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันธรรมมัดสวนะตรงกับวันพระแปดค่ำเดือนสองวันที่ห้าเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2560 เราท่านทั้งหลายพึ่งผ่านพ้นปีใหม่มาเพียงแค่ห้าวันนั่นก็คือตรงกับวันที่ห้าวันนี้ดังนั้นปีใหม่ควรยังอยู่ถ้าคนจะให้ศีลให้พอรอวยพรกันก็อยู่ในห่วงเ่งเทศกาลเ่งปีใหม่ดังนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลาย เรามาทบทวนใจกันดูสิว่าปี2559ที่ผ่านมาเราประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรบ้างปี2560เราจะประพฤติปฏิบัติให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรวันนี้บรรดาญยยาติโยมสัมพันธชนคนเกี่ยวข้อง อุบาสกอุบาสิกาชาววัดปยุระวงสาวาทพร้อมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดปยุระวงได้ร่วมจิตได้ร่วมใจมุ่งหวังคุณงามความดีสร้างสเสบียงทานสร้างเบียงบุญให้แก่ชีวิตนั่นก็คือทิ้งภาระกิจมาร่วม ส, สรรสาง การประพฤติปฏิบัติธรรมักษาศีลเจริญจิตตะภาวนาณพระอุโบสถวัดพยุโรวงสาวานท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านปีนี้ปีใหม่เป็นปีไก่ปีละกาเป็นปีที่เราท่านทั้งหลายนี่ต้องตื่นตัวมากกว่าเดิมต้องตื่นใจมากกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาคนสมัยโบราณเขาไม่มีนาฬิกาเขาจึงจำต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไว้ทำไมเลี้ยงไก่ไว้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของนาฬิกาเพราะไก่มันจะขันบอกเวลายามเช้าคนโบราณไม่มีนาฬิกาปุก จะไปทํานาทําสวนออกงานออกการแต่เช้ามืดเนี่ยบังดีมันนอนเพลินไม่มีนาฬิกาปุกเขาก็จะอาศัยไก่เลี้ยงเลี้ยงไก่ดังนั้นปีนี้ปีไก่ต้องรู้จักคุณค่าของไก่ไก่นอกจากบอกเวลาให้ขันให้คนรู้จักเวล า, วลาแล้วสัญลักษณ์ของไก่เป็นสัตว์ที่ขยันทํามาหากินทั้งวัน คุยทั้งวันเขีย่ยทั้งวันไม่มีไก่ตัวไหนที่ยืนนิ่งโดยไม่เขียโดยไม่เคี่ยโดยไม่คุยหาอาหารมันจะยืนจ้องมองนั่งอยู่เก้าอี้ก็ไม่มีสัญลักษณ์ของไก่นี่จะเป็นสัตว์ที่ขยันมากเหมือนกับเราเป็นนักเรียนเป็นคนทํางานถ้าเราเอาคุณธรรมจากไก่มาใช้เราก็จะกลายเป็นคนขยนันแล้วไก่ในนอกจากเป็นสัตว์ที่ขยันแล้ว ยังเป็นสัตว์ที่ไม่เห็นแก่ตัวดูเวลามันได้อาหารมันจะเรียกตัวอื่นมากินเวลายิ่งมันเป็นไก่แม่ลูกอ่อนไก่ตัวที่เป็นแม่ตัวเองคันได้เสร็จอาหารมาคันจะกินก็ไม่กินเรียกลูกเข้ามาหากินนี่ก็เรียกเป็นสัตว์ที่มีเมตตาธรรมสูงคันได้ว่าไก่ทำไมมันบอกเวลาลูกๆคนสมัยก่อนนี่เขาไม่มีนาฬิกา ไก่มันบอกเวลาว่าอย่างไรรู้ไหมมันขันกันตั้งแต่เช้าปุกคนไก่บ้านบ้านถ้าเรากขบ้านใครเลี้ยงไก่ก็จะรู้ว่ามันขันอย่างไรยิ่งไอโต้งนี่ขันเสียงดังฟังชัดเพราะตัวมันใหญ่คอมันยาวมันจะขันว่าโออีโอโอกนั้นไก่ตัวผู้มันขันอย่างงั้นมันให้พรให้ศีลคนที่ตื่นแต่เช้าที่ได้ยินเสียงมันโออีโอโอ ตื่นแต่เช้าจะมีโชคนั่นมันบอกธรรมะไอ้คนว่าตื่นแต่เช้าจะมีโชคแต่ถ้ามันขันตอนสายคนยังไม่ตื่นมันก็ขันสมทับใหม่นะโอโยรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรญาติโยมสาธุชนทุกท่านมันเรียกคนคนไม่ตื่นมันก็ขันเสียงดังเลยตอนสายนี่โอโอ มันแปลว่าอยู่ไปก็รกโรคนั่นดังนั้นไก่นี่ยมันมีคุณธรรมของมันปีนี้เป็นปีละกาแล้วเราต้องเอาคุณธรรมของไก่มาใช้ดังนั้นสิ่งต่างสิ่งต่างต่างผันผ่านตามการเปลี่ยนหมุนวนเวียนได้เรียนรู้ให้อยู่ไหวปีเก่าผ่านการสั่งสมเป็นแรงใจเข้าปีใหม่ก้า ไปต่อไม่ยอดท้อกาบขอวอนพรประเสริฐในเลิดล่าโปรดประทาน่านพระฟานพระดังคำขอให้สุขสรรพนเกิดไม่รีรออยู่เพียงพอไรทุกสุขนิรันดังนั้นจากนี้ไปเราจะเอาความสุขแท้จริงของเราเนี่การที่เราจะมีความสุขแท้จริงนั้น เราจะทำอย่างไรคนที่มีความสุขแท้จริงมีลักษณะเป็นเช่นไรการก้าวขึ้นสู่ปีใหม่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งเทศกาลหนึ่งเรียกว่าเทศกาลคืนความสุขให้แก่สังคมเทศกาลคืนความสุขให้แก่ตนเองและเทศกาลคืนความสุขให้แก่ประชาชนเอาถือวันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเป็นเทศกาลที่เราจะ ร่วมกันเสษร่วมกันอยู่อย่างความอย่างการมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ผ่านมานั้น 2559.13 หสบสามตุลาคมที่ผ่านมามหาวิปโยคเกิดขึ้นแก่พระศกนิกรชาวไทยที่องค์พระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงเสด็จสู่สวรรคาลายไปนั้น ยังให้คนไทยทั้งปวงมีความทุกข์ความโศกความเศร้าแต่ว่าปีนี้ปีใหม่เราเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ได้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เราก็จะต้องเติมความสุขให้แก่ตัวเองแต่ว่าความสุขแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรความสุขแท้จริงมิใช่อยู่ที่การปรารถนาและให้สมหวังทุกประการก็หาไม่เป็นเช่นนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะทาอย่างไร ให้รู้จักว่าสมควรแก่ประสมควรแก่ความปรารถนาของเราแล้วทำให้อยู่เป็นสุขทำจิตใจของเราให้เป็นสุขได้ก็จะสร้างความสุขอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธทาสท่านจึงสอนว่าสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์พบสุขใจถามว่าเราอยากได้ความสุขแล้วหรือทุกข์กัน สรรพสิ่งในโลกนี้สิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่คนเราก็มักจะปรารถนาความสุขมากมายมาให้แก่ตัวเองแต่ว่าในการปรารถนามันมีทั้งความสมหวังและผิดหวังมันตกอยู่ในโลกกระทก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสัรเสริมมีนินทามีสุขก็มีทุกข์ดังนั้นเราต้องเจริญต้องนึกอยู่เสมอว่า สรรพสิ่งในโลกนี้มันไม่เที่ยงนะอะไรล่ะคือความเที่ยงนอกจากความดีเมื่อสรรพสิ่งมันไม่เที่ยงเราจะต้องระลึกนึกว่าวันนี้รุ่งพุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนเปลี่ยนไปทุกชีวิตโปรดจําไว้ล้วนอนิจจังเมื่อมันเป็นเช่นนี้ชีวิตเราจะเป็นอิสระเราจะต้องไม่ยึดติด ไม่ฝืนโลกแต่เราจะต้องฝืนใจตัวเองหรือทำใจให้เป็นมัชฌณนธรรมเมื่อเราประสบกับสิ่งทั้งนีและร้ายต้องทำใจให้นิ่งเพราะผู้นิ่งจะเป็นผู้ชนะผู้ละจะเป็นผู้บรรลุไม่นิ่งก็ไม่ชนะไม่ละก็ไม่บรรลุดังนั้นความสุขที่แท้จริงเนี่ย มันม่ใช่เป็นการที่สนองความต้องการหรือสนองความสุขอย่างที่ไม่มีบรรจบยังไม่มีวันจบตรงนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตันหาณติตันหาสมานตีหมายความว่าความอยากของคนเนี่ยมันมากมายกว่าน้ำมหาสมุทรหรือว่าน้ำมหาสมุทรเนี่ยจะเทียบกับตันหาของมนุษย์ไม่ได้ ทะเลว่ากว้างใหญ่แล้วแต่ว่าตันหาของคนยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นกว้างใหญ่ไปกว่านั้นแต่เป็นความปรารถนาเราจะทาอย่างไรว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะเป็นตั้งความปรารถนาได้ตั้งความโลภได้แต่เป็นความโลภความปรารถนาที่ชอบรมเอาธรรมะเป็นเครื่องขัดเกาเอาธรรมะเป็นตัวกำจัดความปรารถนาคือเมื่อมนุษย์เราปรารถนาสิ่งใหม่เข้ามาอยู่เรื่อย เราก็ต้องรู้จักการปฏิบัติให้มันถูกต้องต่อเรื่องของความใหม่ต่อเรื่องของความเก่าเมื่อปีใหม่มันเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้เราก็ต้องมุมมองแตกต่างกันแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักปรับตัวเองรู้ว่าแต่ปีใหม่แล้วขึ้นพศออใหม่แล้วแต่ยังไม่ปรับตัวยังไม่ปรับใจยังอยู่อยู่เหมือนเดิม มันก็ไม่ก้าวหน้าแต่อันความจริงนั่นแหละความใหม่ความเก่าวันเดือนปีมันอยู่เหมือนเดิมแต่เราสมมุติขึ้นมาว่านี่คือเป็นวันปีใหม่นี่เป็นวันเริ่มต้นศักราชใหม่แต่สรรพะสิ่งมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นโลกก็หมุนไปดวงอาทิตย์ก็หมุนไปดวงดาวต่างๆก็หมุนไปโครจรสามหสิบห้าวันก็ต้องมาพบมาเจอกัน ชีวิตคนเราก็เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่ามุมมองของชีวิตเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราประสบสิ่งที่พึงปรารถนาเราก็ยินดีได้เมื่อเราประสบสิ่งไม่พึงปรารถนาเราก็ยินดีได้ทำให้คิดบางครั้งบางทีเนี่ยเราปรารถนาได้ดั่งใจแต่เราทำไม่ได้ ญาติโยมอาจจะเคยได้ยินเรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเป็นอยู่กลุ่มในของสาเคยะวงเป็นเคญาิของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระเทวทัตเนี่ยมีความอิจฉาริษยาตั้งแต่เป็นโยมละตั้งแต่เป็นคนทั่วไปเนี่อิจฉาเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ที่เจ้าชายสิทธัตถะมีความเก่งมีความรู้มีความสามารถแกก็หาความสุขไม่ได้เพราะมันถูกความอิจฉาริษยาแผดเผาขันพระพุทธเจ้าทรงสละ ร, ราชสมบัติออกบวชเป็นพระตัสนุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตก็อิจฉาว่าการเป็นพระอยู่สุขสบายดูพระพุทธเจ้าบวชแล้วมีคนกราบไหว้ทุกถนนเส้นทาง ขั้นตัวเราจะบวชแล้วก็น่าจะดีอย่างนั้นก็เลยลอกคาบใหม่ลอกคาบจากครหัตมาสู่เป็นบรรพชิตนี่ก็หวังว่าจะได้รูปแบบใหม่ของชีวิตและจะได้เจริญรอยตามหรือเจริญยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าะพระเทวทัตคิดอย่างนั้นแต่พอบวชแล้วมันไม่เป็นดั่งใจมันไม่เป็นดั่งที่คิดมันติดที่การกระทํา พระพุทธองค์ทรงทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีเมตตาเป็นที่ตั้งมีพระกรุณาเป็นที่ตั้งแต่พระเทวทัตมาบวช ด, ด้วยความอิจฉาริษยาเอาตัณหามาถาถมใส่ตัวเองตัวเองก็ไม่มีความสุขก็เลยหาวิธีว่าจะทำอะไรจะทาอย่างไรให้ตนเองนี่มีความเด่นให้มีความดีเหมือนพระพุทธเจ้าหรือว่าเด่นกว่าพระพุทธเจ้าทางเดียวที่เราจะเอาชนะพระพุทธเจ้าได้เนี่ย ก็คือการล้มล้างพระพุทธเจ้าทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พี่หน้าชิปหายไปแล้วเราก็จะเป็นพระพุทธเจ้าแทนเราก็จะเป็นผู้ปกครองแทนเราจะเป็นผู้นำแทนยิ่งคิดมันก็เหมือนยิ่งผิดเหมือนการติดกระดุมระยมพระเทวทัตท่านติดกระดุมท่านผิดตั้งแต่เม็ดแรกเม็ดต่ อ, ต, อต่อไปท่านก็ผิด ความคิดก็เหมือนติดกระดุมถ้าคิดผิดแต่แรกมันก็ผิดทั้งตลอดเรื่องในที่สุดท้ายชีวิตพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้ดีอะไรสักอย่างทำดีอะไรไม่ได้แม้แต่จะลอกคาบใหม่เป็นบรรพชิตทิ้งสลัดเพศจากคฤหัสถ์เหมือนอย่างที่เราว่าเมื่อกี้นะ่ปีเก่าผ่านไปเราเข้าสู่ปีใหม่เราจะลอกคาบแห่งความเป็นคนดีเนะี่ยทไง ในที่สุดท้ายพระเทวทัตเป็นอย่างไรโยมถูกธรณีสุปตายถูกธรณีสูปตายเพราะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะจิตมันคิดชั่วเพราะการกระทามันชั่วก็ทำให้จิตของท่านใจของท่านตัวของท่านไม่สามารถพ้นบ่วงอบายได้ดังนั้นในชีวิตเราก้าวขึ้นสู่ปีใหม่เรารู้ว่าสรรพสิ่งเนี่ย ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเช่นไรแต่เราจะทำอย่างไรได้ไหมว่ามองชีวิตจากนี้ไปเนี่ยเราทำให้ชีวิตให้มันสดใสเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันจะมีพลังนุภาพก็ต่อเมื่อจิตที่เราใสจิตที่เรามีพละกกำลังก็คือสิ่งที่คิดดีจิตใจเนี่ยนะจิตใหม่หรือว่าจิตใจถ้ามันสดใสถ้ามันคิดดีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีธรรมะเป็นเครื่องค้ำชูอยู่ภายในความใหม่ความดีมันก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตเราดังนั้นเรามองว่าชีวิตปีใหม่เนี่ยเรื่องของการเวลามันผ่านไปเราควรจะมองอย่างไรว่าชีวิตใหม่มันจะได้เกิดขึ้นดังบทอุเทศเทศนาที่อัตมภาพยกเป็นนิเคป บ, บทเบื้องต้นนั่นแหละว่า ชีรันติเวราชรัฐาสุจิตตาเป็นต้นซึ่งแปลใจความว่าราชรถที่ประดับประดาตกแต่งแล้วนี่มันยังค่ําคร่ามันยังเป็นของเก่าแต่ชีวิตของสตัปบรุษย่อมไม่มีวันค่ํำคร่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะชีวิตของสตบับบรุษเนี่ยมันกลายเป็นชีวิตที่เป็นอมตะ กลายเป็นชีวิต่เป็นอมะตะเพราะมันไม่มีความแก่เพราะเราถือว่าธรรมะคือหลักของความจริงความจริงเป็นสิ่งที่คงที่ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่รู้จักเก่าและเมื่อไม่เก่ามันก็มีใหม่อยู่เสมอในชีวิตเราเหมือนกับคำ ว, ว่าปีใหม่ละโยมดังนั้นเราจะทำไงให้ปีใหม่เราเนี่ย เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเราก็อาศัยความดีความงามประพฤติปฏิบัติอาศัยความดีความงามประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องเรื่องรัดปรุงจิตใจเราอาจจะแยกได้สักสองประเภทในแง่ที่ว่าหนึ่งทำตัวเองให้เป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยการมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เบิกบาน รับปีใหม่โยมทำได้ไหมเราข้อที่หนึ่งนั่นก็หมายว่าทำตัวเองเนี่ยเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลาใหม่ด้วยอะไรใหม่ด้วยความดีใหม่ด้วยความงามใหม่ด้วยศีลธรรมเด็กๆ ก, ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองประการที่สองก็คือทำชีวิตของตนเนี่ย ให้เป็นชีวิตที่เป็นอมตะเป็นชีวิตที่ไม่ตายด้วยการเอาธรรมะเป็นสิ่งที่อันไม่ตายนี่แหละที่ไม่ต้องขึ้นกับการเวลาเวลานั้นๆวันนี้เวลานี้แต่เอามาเข้าในจิตใจประพฤติปฏิบัติของตนคุณธรรมอย่างนี้ปรากฏในบทแห่งพระธรรมคุณที่บอกว่าอากาลิโกอะกาลิโกแปลว่าไม่ขึ้นตรงกับเวลา คือไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ก็เกิดผลดีในเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเมตตาธรรมกะรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมเมื่อเราเมื่อเรานำมาใส่ใจในเวลาใดแล้วจิตของเราก็จะสดชื่นจิตของเราก็จะเบิกบานนึกถึงบุญกุศลขึ้นมาคราวใด จิตใจเราก็ผ่องใสมีพระกำลังที่บอกว่ามีเมตตาธรรมก็คือความรักปี2อ6 0ต้องประกาศใหม่ว่าจากนี้ไปฉันจะมีความรักให้กับคนทั้งโลกแผ่เมตตาเป็นอัปปัมั ญ, ญาไว้การุณาคือมีจิตสงสารคอยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่ด้อยอำนาจมากกว่าเราหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองลูกน้องของเรา คือกรุณาสงสารเขาที่บอกว่ามุติตาธรรมคือการพลอยยินดีไม่อิจฉาริษยาเหมือนดังพระเทวทัตพระเทวทัตในอิจฉาริษยาไม่มีมุติตาธรรมต่อพระพุทธเจ้าในที่สุดท้ายมันก็เหมือนไฟที่เผาตัวเองมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะไม่มีจิตคิดมุติตาธรรม และประการสุดท้ายที่บอกว่ามีอุเบกขาธรรมสรรพสิ่งในโลกเนี่ยเมื่อมันไม่ได้ดังตัวเมื่อมันไม่ได้ดังใจก็ต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางบ้างทิ้งเสียบ้างก็คือทำใจให้เป็นกลางเหมือนณเหมือนกับกระแสที่ไม่มีขึ้นไม่มีลงสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ก็มองเป็นเรื่องของธรรมชาติดังที่บอกหลวงพ่อพุทธทาสที่อาตมภาภาพยกเป็นเบื้องต้นว่าสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือนั่นแหละสรรพสิ่งนี้มันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราถือใจเราสัมผัสเราใจยึดมันก็เป็นทุกข์ปีใหม่ปีนี้ต้องปล่อยวางต้องทําใจที่นี่ถ้าพูดอย่างนี้โยมอาจจะไม่มองเห็นชัดในหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงวางธรรมะอยู่หมวดหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมะที่จะสามารถว่ามองข้างหลังมองไปข้างหน้าแล้วก็แลไปด้านหลังปี 2,560 จะเป็นอย่างไร 2,559 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรหลักธรรมหมดนั้นเรียกว่าปะทานหรือปะทานสี่ปะทานธรรมก็คือคุณเครื่องของความเพียรที่ตั้งไว้ ทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จอันประกอบด้วยสังวรประทานเพียรไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นประหารนัประธานเพียรกาจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ภาวนาประทานเพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นและประการสุดท้ายก็คืออนุรักษณาประทานนั่นก็เพียรรักษาความดีให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนด่งเกลือที่รักษาความเค็มดังนั้นเมื่อถึงคาวาระดิติขึ้นปีใหม่วันนี้ตรงกับวันที่ห้าพึ่งผ่านมาห้าวันนี้เราจะพักกายพักจิตพักใจเราอยู่เงียบเงียบสักวันหนึ่งได้ไหมโดยอาศัยการฟังพระธรรมเทศนาวันนี้แหละทบทวนตัวเองว่าในขวบปีที่ผ่านมานั้นเราได้ทาถูกทาผิด ได้ทำดีทำชั่วหรือสมควรไม่สมควรซึ่งปกติเราทุกคนก็มีสามัญสำนึกพอที่จะแยกแยะตักตัดสินเรื่องต่างๆได้สิ่งใดที่เราพบมาเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรเห็นว่าเป็นสิ่งผิดสิ่งชั่วซึ่งเรายังไม่เคยกระทามาก่อนก็ควรระวังต่อไปจงอย่าไปข้องแวะ แม้แต่เช่นอบายามุกตั้งอยู่ในหลักแห่งสินห้างนี้ต้องเพียรสังวรเรียกว่าสังวรประทานเพียรไม่ให้ความชั่วบาปเกิดขึ้นแก่จิตใจให้อายชั่วกลัวบาปให้มีฮิริโอตปะส่วนสิ่งใดที่เป็นส่วนที่ผิดไม่ถูกไม่ควรซึ่งเราได้เคยประพฤติผิดพลาดตั้งแต่ปี2559 พอขึ้นปีใหม่เราก็ถือโอกาสลดละเลิกให้ได้นั่นเรียกว่าประหานประธานแต่ประการที่สามคณะสิ่งใดที่เราพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแต่เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำเลยเห็นว่ามันเป็นทางความก้าวหน้าและแต่เรายังไม่เริ่มลงมือก็ให้เริ่มลงมือตั้งแต่บัดนี้การะบัดนี้ ร่มเริ่ ม, มลงมือทำคุณงามความดีและก็ตั้งใจว่าทำให้ได้อย่างนี้เรียกว่าภาวนาประธานและสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดที่เป็นสังคมสันเสริญสิ่งใดที่คนเจริญพรยกย่องนั้นซึ่งเราเองก็ได้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นก็ตั้งใจให้รักษาต่อไปอย่างนี้เรียกว่าอนุรักษนาประธาน นั่นคือาการตั้งความเพียรทั้งสี่ข้อความชั่วถ้าถ้ายังไม่เกิดก็เพียรอย่าให้มันเกิดถ้ามันเกิดก็เพียรให้ละความดีถ้าไม่เกิดก็ต้องเพียรให้เกิดถ้ามันเกิดแล้วต้องรักษาเหมือนเกลือที่รักษาความเป็นความเค็มถ้าเราใช้อย่างนี้ได้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่2560 เป็นการเริ่มต้นชีวิตมีความสุขแล้วเมื่อเราทำอย่างนี้ความสุขความเจริญความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราในทุกวันเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่เดือนมกราเท่านั้นเรียกว่าส6 5ร้หกสิบห้าวันความดีความงามความสุขความเบิกบานในจิตใจก็จะเกิดขึ้นให้แก่เราทุกทุกวันนั่นเองดังนั้น ถือดิถีมงคลดังกล่าวมองไปข้างหน้าให้เป็นความหวังมองข้างหลังให้เป็นบทเรียนมองสิ่งที่มันหมุนเวียนเพี้ยนไปเนี่ยยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะทําทให้เรามองข้างหน้าก็มีหวังมองข้างหลังก็มีความสุขมองข้างหน้าก็คือตั้งแต่ปี2560เราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ใจเรา และมองไปด้านหลังสิ่งไหนที่มันโศกมันเศร้าเราก็ไม่ต้องพกไปกับปีใหม่ทิ้งไว้กับความด้านหลังเราทำอย่างนี้ได้ได้ชื่อว่าเป็นธรรมของสัตรบุรุษได้ชื่อว่าเป็นคนดีได้ชื่อว่าเป็นผู้ชาญฉลาดต้องกับบทอุเทศเทศนาในปุริสะธรรมกถาที่อัตมภาพวิสัชนามานั่นเอง ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขออ้างเอาคุณแห่งพระศรีรัตนไตรคือคุณแห่งพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์ตลอดถึงอํานาจบารมีหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธธรรมวิเชตศาสดาอํานาจบารมีของหลวงพ่อพระพุทธนาพระประธานศักดิ์สิทธิ์ประจําพระอารามแห่งนี้ อำนาจพระบรมสารีริกธาตุตลอดถึงอำนาจบารมีของพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพรมบันดิตเจ้าอาวาสวัดปยุระวงสาวาดวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมโปรดอภิบาลประธานพรให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้มีความสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการ ยถาวาริวหาความปรารถนาให้สมประสงค์เหมือนดังจันจวงเต็มดวงเต็มวงเหมือนน้าเปี่มทรง ส, งสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่เนรมิตบันดาลศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนาลาบยศสรรเสริญเพิดเพลินอุราอโรคยาโรคายามีรัตนตยานุภาเวนะขออานาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีขอให้มีอายุมั่นยืนยาว ทานศิลภาวนายึดเป็นแก่นสารขอให้ทุกคนทุกท่านได้ยนตมักผลนิพานได้พบพระศีอานในอนาคตการอาตมภาพรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปุริสะธรรมกถาก็สมสมัยแก่เวลาจึงขอสมุิยุติลงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนนี้